ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการบูชาไหว้ขอพรพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตในยามจําเป็นนะครับเป็นเนื้อหาจากพระไตรปิฎกคาถาธรรมบทซึ่งเป็นการรวมพุทธวจนะคําสอนสําคัญของพระพุทธเจ้าผนวกกับเรื่องกฎแห่งกรรมผลกรรมที่ส่งผลข้ามภพชาติเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะครับน่าสนใจน่าศึกษามีทั้งหมด8ดภาค ซึ่งผมได้อ่านเสียงไว้ครบแล้วเป็นเวอร์ชันเรียบเรียงแบบกระชับโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนอุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กมีโอกาสอยากให้หาฟังสักครั้งในชีวิตก็จะดีมากนะครับดีกว่าไปนั่งอา่านนั่งฟังสารพัดอาจารย์ผู้วิเศษในรุ่นหลังที่มาสอนแก้กรรมทําบุญแก้ชงเสริมมงคลกันสารพัดซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่เป็นศิลปะปรรมาะควางการบรรลุธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิและหลายคน ก็อธิบายกฎแห่งกรรมได้เพี้ยนพิสดารไปกลายอย่างไม่น่าเชื่อคนเราจะมีสุขพ้นทุกจะเจริญจะโชคดีจะรวยทุกสิ่งล้วนต้องเริ่มจากการมีปัญญาที่มาจากสัมมาทิฏฐิก่อนเท่านั้นจึงเป็นมรรคข้อแรกที่ทรงสอนให้เป็นแนวทางเดินตามพระองค์ท่านขยันผิดที่สิบ ป, ปีก็ไม่รวยขยันทำบุญมาหาศาลทั้งชีวิตแต่เจอแต่เรื่องบัตรซบต้นเหตุดีวคือการไม่เข้าใจธรรมไม่มีปัญญารู้แจ้ง จึงเลือกคนผิดเลือกงานผิดตัดสินใจผิดดำเนินชีวิตผิดลงทุนผิดเดินทางผิดสั่งสอนลูกผิดทาบุญไม่ถูกทางการทำบุญจริงๆถ้าจะเปรียบให้ง่ายก็เหมือนการค้าขายนะครับรู้ข้อมูลลึกกว่าฉลาดกว่าทำน้อยแต่อาจได้กำไรมากคนโง่เนี่ยขยันแทบตายขยันแบบโง่โงก็อาจพาชิบหายได้หนักกว่าอยู่เฉยๆซะอีก ตัว อ, อย่างการตั้งโรงทานเสียสละเงินจำนวนมากตลอดชีวิตยังมีอันนี้สงงไม่เท่ากับการทำบุญด้วยข้าวทัพพีเดียวที่ประกอบด้วยองคุณครบถ้วนอย่างไรเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเท่านั้นถึงจะรู้ถึงจะทำได้ถูกเรื่องนี้มีในพระไตรปิฎกนะครับการทำบุญนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อหวังรวยเพื่อหวังสุขแต่เมื่อทำด้วยจิตบริสุทธิ์มันก็จะรวยหรือพอมีกินไม่อดอยากและมีสุขในทุกด้านไปเอง ตามหลักปลูกมะม่วงต้องได้ต้นมะม่วงและผลมะม่วงจะออกมาสมบูรณ์แค่ไหนก็อยู่ที่การดูแลถูกต้องหรือไม่ต้องมีปัจจัยประกอบกันสมบูรณ์พร้อมด้วยนะครับคนไทยพุทธจำนวนมากไม่ยอมศึกษาศาสนาให้เข้าใจจึงเกิดพิธีกรรมงมงายไร้สาระมากมายที่เป็นกันมากคือการคิดง่ายๆกับการติดสินบนเทพเจ้าวิญ ญ, ญาณต่างๆว่าถ้าได้สิ่งนี้จะทาสิ่งนี้ให้ ต้องกลับมาคิดกันใหม่เดี๋ยวแล้วนะครับว่าเทพเจ้าหรือวิญ ญ, ญาณที่จะช่วยเราได้จริงนั้นเขาต้องมีบุญมากกว่าเราแล้วบุญก็ต้องได้มาตั้งแต่การเป็นมนุษย์ได้ทำดีไว้มากมายจิตตอนมนุษย์อยู่ในระดับใดตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจิตก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่คนขี้เล่าเมายาตายปุ๊บจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ได้ขอพรได้ซึ่งหลายคนก็ไม่เข้าใจ โดนผีหลอกให้เส้นไหวบูชาทั้งที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยยังติดอยู่บริเวณนั้นไปไหนไม่ได้ยังลำบากสาหัสได้แต่รอคอยวันเกิดใหม่ไปพบใหม่อยู่ที่นั่นสำหรับเทวดาบุญมากนั้นให้เปรียบง่ายๆว่าเหมือนคนรวยคนมีอำนาจในชีวิตถ้าเราอยากจะให้คนรวยช่วยเหลือเราเราจะทําแบบไหนถ้าเราเอาอาหารราคาถูกไปบอกเขาว่าให้ช่วยเราหน่อย แล้วเราจะให้สิ่งนี้ลองคิดดูนะครับคนเขารวยอยู่แล้วเขาจะต้องการไหมแล้วทำไมเขาต้องมาทำให้เราจําเป็นแค่ไหนที่ต้องมาทำให้เรากลับกันถ้าเราเอาของที่เราหาได้ดีที่สุดในชีวิตไปให้เขาก่อนโดยไม่หวังผลประโยชน์ให้เรื่อยๆให้บ่อยๆให้ด้วยเจตนาดีไม่ใช่แกล้งประจบหวังผลตอบแทน แล้ววันหนึ่งเราเดือดร้อนบางทีไม่ต้องบอกเพอเขารู้เรื่องเขาก็ช่วยเองหรือส่งคนมาช่วยหรือถ้าเราหน้าด้านพอไปขอให้เขาช่วยนะครับเขาก็จะช่วยเราได้ง่ายด้วยเห็นว่าคนคนนี้เขามีน้ำใจกับเรามาตลอดไปไหนมาไหนก็ซื้อของมาฝากตลอดแม้จะเป็นของชั้นต่ำราคาถูกที่เขาไม่มีทางกินหรือใช้ก็ตามเพราะว่าปกติเขารวยมากซื้อของแพงกว่านี้กินใช้จนชินแล้ว หรือให้คิดในอีกแง่นะครับว่าเด็กคนหนึ่งทำดีขยันนอบน้อมรู้จักไหวเจอหน้ารู้จักทักทายแต่อีกคนหนึ่งทั้งเลวทั้งโง่อวดดีมารยาสามถ้าสองคนเนี้ยมาขอร้องให้เราช่วยเราจะอยากช่วยใครมากกว่ากันเทพเทวดานะครับถ้ามีฤทธิ์ช่วยคนได้จริงเขาก็ไม่ได้โง่ขนาดจะช่วยคนชั่วๆหรอกนะครับ หรือเขาคงไม่ได้ปัญญาอ่อนจะมานั่งเล่นม้าไม้ตุ๊กตาไมา้มาเล่นประหลัดขิกมากินของเส้นไหว้คงไม่มาชอบสารพัด ส, สิ่งที่เอาไปแก้บนกันนะครับพูดแบบภาษากันเองนะครับคิดสิครับว่าเทพนุ้ยเฮ้ยเทพนะครับถ้ายังปัญญาอ่อนชอบของตำาๆหรือของไรสาระแบบเนี้ยแทนที่จะพึงพอใจอาหารทิพหรือพึงพอใจในบุญกุศลที่แปลงเป็นของทิพได้มากมายถามว่า ถ้าเป็นเทวดาปัญญาอ่อนแบบนี้จะไปไหว้ทำไมให้เสียเวลาขนาดประโยชน์ของตัวเองยังไม่รู้เลยว่าอะไรดีกว่าควรเสพอะไรเราจะมาเลือกสิ่งดีๆให้เราได้ยังไงจะมีพอรอะไรมาช่วยเราได้บางพวกจำนวนมากเนี่ยยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังหากินเองไม่ได้เลยนะครับบุญไม่พอจะหาวิมานดีๆให้ตัวเองอยู่ได้เลยการเส้นไหวนะ้น่ะ เขาเรียกเมตตาเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ได้ให้เส้นเพื่อขอหรือหวังอะไรเหมือนผูกมิตรคล้ายกับการซื้อของให้นักเลงในซอยประจำจะไปหวังให้เขาไปหาเงินมาช่วยให้ค้าขายดีคงไม่ใช่แต่การให้ประจำทำให้เขาไม่มารบ ก, กวนเกรงใจไม่มารังแกหรือมีคนมารังแกเราเขาก็ยังพอจะช่วยห้ามปรามได้บ้าง ยกตัวอย่างเหมือนตอนผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็เอาไข่ไปเส้นไหว้ผีที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ให้ผีมาช่วยให้หายป่วยแต่เป็นการสร้างทานบารมีผูกมิตรไว้ก่อนลดการมารบกวนซึ่งทานบารมีนั้นของคนที่รู้จักให้จิตที่มีเมตตาอยากจะให้นั่นแหละจุดสำคัญที่จะเกิดเป็นบุญและบุญก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการหายป่วยง่ายขึ้น โดยเฉพาะกรณีโรคเกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากการสิ้นอายุไขหรือความเสื่อมของสังขารนะครับจริงๆเขียนเรื่องนี้เวลานะครับในเรื่องการสดมนลองไปฟังได้เคยเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าผมเอาสักระเบือมาผูกผ้าแล้วสร้างสตอรี่ว่าเนี่ยขออะไรก็ได้เชื่อไหมครับว่าจะมีคนมาขอได้จริงๆพอร้อยคนขอได้สิบคนแค่นี้ก็ขลังละผ่านไปสิบปี 1 0อคนขอได้สิบคนไปเรื่อยๆก็เพิ่มเป็นแสนคนที่ได้สำเร็จได้เอาตัวอย่างให้ชัดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าขอญาติทหารให้มาขอกันทั้งหมู่บ้านทุกปีก็จะมีคนไม่ติดทหารตามใบดำที่มีนั่นแหละแล้วก็จะโจทย์ขานกันว่าโอ้ฉักฉิดเือกเกินนะฮะลองคิดดูดีๆนะครับว่าเทพเจ้าบ้าอะไรจะมาให้คนไม่ติดทหาร เทพปัญญาอ่อนหรือไงอาชีพสำคัญเพื่อปกป้องบ้านเมืองเนี่ยถ้าไม่อยากให้คนเป็นนี่มันก็ไม่ใช่เทพแล้วนะครับแล้วต้องไปแกล้งให้อีกคนเป็นต่อให้การเป็นทหารมันอาจจะไม่ดีต่อ บ, บางคนก็แล้วถ้าไปแกล้งให้อีกคนเป็นตกลงนี่มันเทพดีหรือเทพชั่วล่ะครับใช่มะตัวอย่างนี้มันก็พอกับการเล่นฟุตบอลนะครับเทพเทวดาจะไปยุ่งทาไมวันเราเป็นพ่อแม่ถามว่าลูกเล่นบอลกันเนี่ย เราจะช่วยให้ใครชนะเราก็คงได้แค่มองดูมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปตายสักหน่อยนะครับต่อให้ไปตายจริงถ้าดวงถึงคาดกรรมกก่าวให้ผลต้องตายถ้าไม่ทำบุญให้หนักพอถูกด้านพอไพร่ก็ช่วยไม่ได้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงช่วยให้พระอราหันตสาวกไม่ต้องตายได้หลายองค์แล้วนะครับนี่ก็ตายกันปกติพระมหาโมคลานะมีฤทธิ์มากเป็นถึงอัครสาวก ยังมรณาภาพด้วยการถูกทรมานทุกตีจนตายกระดูกแหลกละเอียดเลยต่อไปนี้เป็นเรื่องจากคาถาธรรมบทที่จะแสดงให้เห็นว่าถ้าจะขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆสิ่งที่ควรทำและมีเหตุมีผลมีโอกาสจะสมหวังนั้นต้องทำอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องของการทำบุญก่อนแล้วยกให้เทพเทวดาก่อนบุญที่เราทำเสริมกับบารมีของเทพ รวมกันก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ขัดหลักเหตุผลนะครับแต่เป็นเหตุของการเอื้อเฟื้อเหมือนเราขอแรงให้คนมาช่วยในเวลาลำบากคนที่จะเต็มใจช่วยเราถามว่าถ้าเขามีทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเอาของต่ำกว่าหรือของที่เขามีล้นเหลือแล้วไปจ้างเขามาช่วยเราเขาจะยอมทำง่ายๆไหมบางทีเขาใจดีอยากช่วยแต่เขาก็ต้องหาเวลาว่างก่อนนั่นแหละ กลับกันนะครับถ้าเราทาดีกับเขาเสมอทำเป็นประจำทำให้เขาก่อนแล้วเดือดร้อนขอให้เข้ามาช่วยแน่นอนว่าเขายอมเต็มใจมาโดยง่ายเต็มใจทําและรัดคิวให้ก่อนได้คิดสิครับว่าเทพก็ต้องมีความคิดละเอียดกว่าคนคนปกติยังคิดได้แบบนี้แล้วทำไมเทพจะคิดไม่ได้เขาไม่ได้ทำดีแทบตายเพื่อไปสวยสุขบนสวรรค์ เราต้องมาคอยปังคำขอมานั่งทำตามเป็นคิดค่ารับใช้คนที่มีอะไรต่ำกว่าหรอกนะครับแถมข้อเสนอแต่ละอย่างว่าจะให้อะไรตอบแทนเนี่ยก็งีเงาไร้สาระมากถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเทพที่มีสมบัติทิพย์มากพอแล้วจะมาต้องการอะไรจากมนุษย์อีกสิ่งที่ดีกว่าสมบัติทิพย์คือบุญคือความดีเท่านั้นลองดูตัวอย่างเรื่องจากพระไตรปิฎกนะครับ เราใช้เป็นแนวทางเพื่อไว้แก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองเวลาเดือดร้อนเวลาต้องการให้บา ร, รมีของเทพเทวดามาช่วยเสริมก็ต้องรู้จักผลทางที่ถูกต้องที่ดีที่สุดแล้ท่านจะพบว่ามันได้ผลจริงและส่งผลดีระยะยาวได้จริงเพราะต่อให้ยังไม่ได้อะไรทันตาแต่สิ่งที่ได้ทันทีก็คือบุญเกิดที่เราทันทีบุญเนี่ยถ้ามันมากพอสิ่งดีๆจะตามมาเองนะครับ ผมเองลองใช้วิธีนี้อธิษฐานก็พบว่ามันได้ผลจริงๆแต่ก็ไม่ใช่จะใช้บ่อยเอาที่จำเป็นเท่านั้นเอาเรื่องที่มันแก้ไขลำบากเกินกำลังจริงๆหรือขอบารมีมาช่วยเสริมกรณีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญอันนี้จะยิ่งเห็นผลเร็วนะครับเพราะไม่ได้ร้องขอหรืออธิษฐานด้วยความโลภเข้าหาตัวอยากให้ลองดูนะครับหลักการก็คือการทาบุญก่อนแล้วน้อมอุทิศบุญให้เทพเทวดาก่อน แล้วคอยอธิษฐานจิตขอพรขอสิ่งที่ต้องการจะให้ดีก็ต้องรู้จักทําบุญเป็นประจำกับแหล่งที่สมควรด้วยแนะนําว่าลองสแกนคิวอาร์โค้ดทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์หรือโรงพยาบาลรัฐซึ่งลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับวันละสิบยี่สบก็ได้ทําให้ได้ทุกวันแล้วแผ่บุญให้เจ้ากรรมในเวรให้สรรพสัตว์ให้วันละกลุ่มวันละคนให้พ่อแม่พี่น้องทุกภพชาติให้ไปเรื่อยๆให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ วัละองวันละท่านทำไปเรื่อยๆทำไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งจิตขอบุญนี้เป็นปัจจัยให้เราสมปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการถ้าจะให้ดีควรจะย้ำว่าขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นด้วยนะครับเพราะจะได้ประกันอับายาภูมิให้ระดับหนึ่งคือสิ่งไหนที่ต้องการถ้ามันเป็นอกุศลเป็นสิ่งไม่ดีก็ขออย่าให้สำเร็จนั่นหละ ให้สำเร็จเฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งดีสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นและจะดีที่สุดก็เสริมด้วยการขอให้มีตาสว่างในทุกเรื่องรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในชาตินี้คําอธิษฐานที่จําเป็นอีกมากผมทําไว้ในบทสวดประจําวันภาษาไทยแล้วนะครับใครที่อยากเจริญพร้อมในชาตินี้ลองนําไปสวดหรือแค่ฟังและน้อมใจตามไปอย่างเดียวก็ได้ทําให้ได้ทุกวันเราจะได้เห็นอนิสงค์ของบุญที่สะสมในชาติปัจจุบัน ว่าให้ผลจริงเป็นสุขเป็นหนทางเจริญในทุกด้านได้จริงแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับคือคนที่ทำบาปสร้างกรรมไม่ดีมาเยอะก็ต้องอดทนอาจต้องรอนานขึ้นอีกนิดกว่าคนอื่นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยอย่างน้อยเลยการทาดีเป็นประจำจะทำให้เราทนทุกข์ได้ด้วยใจเป็นสุขไม่ทรมานเหมือนก่อนนี่คือบุญทันตาเห็นผลในทันทีครับ สารพัดความทุกข์ที่เราได้เจอเชื่อตัวว่ามันเกิดเพราะตัวเราเองมันเกิดเพราะบุญที่เราสะสมไว้ไม่มากพอและไม่ตรงด้านไม่รอบด้านอย่าหวังแต่พึ่งพาสิ่งภายนอกอย่างเดียวการศึกษาธรรมเป็นประจำจะทำให้จิตไม่ไหลลงตำ่ำแต่ส่วนใหญ่ก็อ้างกันได้เสมอนะครับว่าไม่มีเวลาทั้งที่หมดไปกับการส่องเรื่องชาวบ้านกันได้วันละหลายชั่วโมงก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่าง เป็นแรงเสริมให้ชีวิตหลายคนดีขึ้นจากการทำบุญที่ถูกทางจากการไหว้เทพเทวดาที่ถูกทางนะครับสำหรับพวกที่สุดต่งที่หาว่าการไหว้เทวดางม ง, ง, งายก็ขอให้เข้าใจโลกให้กว้างด้วยว่าคนเราเนี่ยจริตปัญญาวาสนามันไม่เท่ากันบางคนเขาไม่ได้สะสมบุญมามากพอเขายัางอ่อนแอเหมือนกล้าไม้ที่ต้องใช้ไม้คำ้ำ ต้องใช้สแลนบังแดดในช่วงแรกจะให้เปสูู้แดดแบบต้นไม้โตเลยมันไม่ไหวนะครับคนเราเวียนว่ายตายเกิดมากี่ชาติญาติพี่น้องไปเป็นเทพเทวดากันกี่องค์มันก็เหมือนเราเป็นเด็กเล็กก็ต้องพึ่งพ่อแม่ไปก่อนจะเดินได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าพึ่งแค่ไหนพึ่งอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแค่นั้นเคยเจอพวกสุดตรงนะครับคิดว่าตัวเองแน่เหนือกว่าบอกยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอ แต่ตัวเองก็ยังเข้าไม่ถึงว่าพระพุทธที่แท้จริงคืออะไรพระธรรมที่แท้คืออะไรยังไม่เคยเจริญสติจนจิตผู้รู้ตื่นไม่เคยเห็นสภาวะธรรมไม่รู้ว่าพระสรงฆ์ที่แท้คืออะไรด้วยซ้ําคือยังไม่เข้าใจอะไรเลยแต่กล้าพูดว่าตนเข้าถึงพระรัตนตรยัยไม่เห็นจําเป็นต้องไหว้เทวดาก็คล้ายจะบอกว่าเป็นคนดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปไหว้คนดีที่อื่นหรอกใครจะทําดีมีบุญแค่ไหน ก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปไหว้เสียเวลาครูบาอาจารย์หลายท่านก็อย่างแนะนำนะครับว่าทําบุญแล้วให้อุทิศให้เหล่าเทพเทวดาด้วยอย่างบุรภาเกษัตริย์ไทยผู้ทรงคุณความดีนี่ก็คือเทวดาที่ควรไหว้ควรระลึกถึงพระคุณการทําการไหว้ระลึกคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับทุกพบทุกภูมิเนี่ยมันมีสัมพันธ์กันตลอด ทุกคนล้วนอยู่ร่วมกับเทวดาหรืออบปฏิกาต่างๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมถ้ามองแค่ว่าเทวดาก็เหมือนผู้ใหญ่คนดีที่มีอำนาจคนดีที่ร่ำรวยเหมือนคนทั่วไปที่ควรเคารพซึ่งเราก็ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เหล่านี้ได้บ้างในบางคราวการแสดงตนทำดีมีน้ำใจนอบน้อมต่อสิ่งที่มีบุญบา ร, รมีเหนือกว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรนะครับยังเป็นการสร้างความอ่อนน้อมในจิตเพิ่มซะอีก ซึ่งในคำพระให้พรเมื่อแปลแล้วก็เป็นคำสอนบทที่ว่าอภิวาทนสีลิสานิจจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุ ข, ขังพลังธรรมะสี่ประการคืออายุวันณสุขพะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนี่คือคำที่พระท่านให้พรที่พวกเราจะได้ฟังท่านสวดให้ฟังเสมอ แต่หลายคนไม่เคยแปลนะครับข้อดีของการผูกมิตรกับสิ่งที่มองไม่เห็นคือเวลาเราเดือดร้อนบารมีเราไม่พอเจอสิ่งเหนือธรรมชาติบางเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเราได้จริงๆนะครับขนาดตัวผมเองเนี่ยทำบุญมาขนาดนี้ก็ยังได้พึ่งพิงท่านๆเหล่านี้มาตลอดชีวิตแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับท่านมาเองมาช่วยเองมาแบบน่าแปลกใจเกินจะเชื่อเลยละ่ะ ก็ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเจอมาหลายเรื่องเมื่อก่อนไม่ได้นับถือพุทธนะครับเจอมาเยอะก็เลยมาศึกษาศึกษาไปศึกษามาก็เลยเข้าพุทธเต็มตัวขนาดนี้สําหรับเรื่องการอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีเทพเทวดาหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยให้มาช่วยจริงๆในชีวิตนี้ก็สำเร็จหลายครั้งนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่จาเป็นจริงๆเกินจะทาได้เองจริงๆ ยิ่งปกติเนี่ยการทำบุญใหญ่ๆจะมีอุปสรรคเกินคนธรรมดาจะได้สัมผัสเยอะมากถ้าไม่พึงพิงพวกท่านเหล่านี้ก็คงไม่ไหวเหมือนกันแต่เวลาผมขอผมไม่ได้ขอดือด้อนะครับที่ใช้บ่อยก็จะประมาณว่าด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าทำจะทำในอนาคตขอเหล่าเทพและวิ ญ, ญญาณทั้งหลายร่วมสนับสนุนให้ข้าพเจ้าทาสาเร็จได้โดยง่ายขอทุกท่านร่วมสร้างกุศลไปพร้อมกับข้าพเจ้า บุญใดที่ข้าพเจ้าทําก็ขอให้ทุกท่านได้รับเสมือนหนึ่งได้ทําด้วยตนเองด้วยก็ปกติก็จะอธิฐานประมาณนี้นะครับสําหรับผมเองนั้นไม่ได้มีชีวิตเพื่ออ้อนวอนขอเทพนะครับแล้วรู้ดีว่าใครทําบุญคนนั้นได้บุญตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนคิดว่าเข้าใจศาสนาดีพอระดับหนึ่งเลยแต่ก็ยังเห็นประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทพและอบปฏิกะหรือที่คนทั่วไป เรียกกันว่าวิญญาณรอบตัวนั่นแหละก็ในเมื่อต้องอยู่ร่วมกันและเคยมีสัมพันธ์กันในอดีตชาติมานับไม่ถ้วนจะให้ปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ไปเลยก็คงการะไรอยู่การไหวแบบเด็กเคารพผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้เสียหายเราทำดีอุทิศให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็ไม่ได้เสียหายสิ่งที่เสียหายคือการที่ปฏิเสธสุดโตง หรือเชื่อแบบงมงายอย่างที่เป็นกันอยู่นี้มากกว่านะครับถ้าได้ศึกษาพลังจิตกันจริงจะรู้ว่าจิตไร้สำนึกมีพลังมากมหาศาลที่เขาว่าพระเจ้าสถิตในจิตทุกคนที่เข้าทรงดึงพลังกันออกมานะในหลักวิทยาศาสตร์ก็คือจิตไร้สำนึกของเรานั่นเองแต่จะให้คนทั่วไปเข้าใจหลักแบบนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายการตั้งชื่อเทพมาให้ระลึกถึงการทาการสักการะบูชา เพื่อดึงเอาพลังงานตรงนี้มาใช้มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปนั่นก็เลยทำให้เกิดลทัทธิต่างๆขึ้นมาซึ่งสำหรับหลายคนนะครับมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอย่างน้อยก็ยังได้ทำสิ่งดีๆถ้าเกิดบูชาแบบถูกทางแต่ถ้าเป็นพุทธนั้นก็ต้องเลยจุดนั้นให้ได้มาเข้าใจหลักกฎแห่งกรรมให้ได้มาดาเนินตามมาัสมีองค์แปดให้ได้ ส่วนระหว่างทางก็เอเื้อเฟื้อเมตตาปฏิสัมพันธ์กันตามภพภูมิที่เคยได้เคยสัมพันธ์กันมาและให้รู้ทันว่าหลักการที่ถูกคืออะไรแค่ไหนต้องไม่งมงายขาดเหตุผลและถ้าจะไหวเทพเสริมจากพระรัตนตรยัยเพื่อเป็นแรงเสริมให้ใจที่กำลังอ่อนแอมากก็ต้องรู้จริงทำให้ถูกต้องให้ถูกทางและดูด้วยว่า เทพไหนคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อดึงพลังจิตมาใช้เทพไหนคือเทพที่มีอยู่จริงและการบูชาแบบเด็กเคารพผู้ใหญ่เป็นอย่างไรจะให้ดีที่สุดก็คือบูชาให้เกิดเป็นบุญแท้ด้วยการเจริญเป็นอนุสติตามหลักพระศาสนาสอนไว้นะครับคือเป็นเทวตานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณความดีที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาสรรเสริญความดีของท่านแล้วทาดีให้มาก เพื่อจะได้ดีแบบท่านหรือไปให้พ้นจากความเป็นเทวดาให้ได้ในวันหนึ่งคือการบรรลุธรรมบรรลุอรหันต์เข้าสู่กระแสพระนิพพานให้ได้ในที่สุดต่อไปนี้คือเรื่องจากคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการบูชาเทพเทวดาพญานาคละกดแห่งกรรมเกี่ยวกับการเป็นชู้ความมักมากในกามซึ่งการบรรยายจากธรรมบทนั้น โปรดเข้าใจด้วยว่าท่านนำจากเรื่องจริงมาบรรยายให้เห็นภาพและผ่านการสืบทอดกันมาหลายพันปีสมัยโบราณท่านประพันธ์เป็นคำภีเพื่อสอนคนในยุคนั้นในบางเรื่องจึงมีบทสัตว์พูดได้และอะไรต่างๆที่เป็นการสร้างอัธรศให้น่าสนใจขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและจะฟังทั้งหมดควรฟังเกริ่นนาอธิบายความเข้าใจในการฟังธรรมในเบื้องต้นซึ่งอยู่ก่อนภาคแรกด้วยนะครับ สำหรับการฟังในหัวข้อธรรมบทนั้นโปรดจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องก็พอส่วนใครฟังแล้วไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาแต่อยากย้ำอีกรอบว่าหลายเรื่องในพระไตรปิฎกนั้นมีการบรรยายในรูปแบบสื่อการสอนให้คนสมัยก่อนไม่เบื่อและเข้าถึงแก่นเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแก่นของเรื่องเป็นเรื่องจริงเป็นหลักธรรมนรกสวรรค์มีจริงแต่สิ่งที่บรรยายอาจไม่ใช่จริงตามนั้นไปทั้งหมด จึงควรเข้าใจให้ถูกต้องก่อนเชื่อหรือปฏิเสธคำสอนทางศาสนานะครับด้วยความปรารถนาดีอริยาคุณพุทธธรรมชมรมผลดีเรื่องบูรุษผู้ถูกพระราชาแย่งพันยาอันว่าพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในนครสาวัตถีพระเจตวันมหาวิหาร ทรงปราบพระเจ้าประเสัยธิและบุรุษผู้ถูกพระราชาแย่งพัญญาวันหนึ่งพระราชาประสัยธิประทักษินพระนครทรงช้างเผือกบุญเทริกะทรงไล่เห็นหญิงคนหนึ่งบนปราสาทชั้นที่เจ็เกิดความปฏิพัฒน์ในหญิงนั้นอมาทูลว่าหญิงมีสามีแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้สามีหญิงนั้นเข้าเฝ้าและอุบายแต่งตั้งให้เป็นทหารรับใช้ แล้วจะยกโทษบางอย่างแล้วฆ่าเสียเอาพัญญามาวันหนึ่งพระราชาสั่งให้เขาไปเอาดอกโกมุตดอกอุบลและดินสีอรุณมาให้ทันเวลาพระราชาอาบน้ำเวลาเย็นถ้าไม่ได้มาจากลงอาญาบุรุษนั้นคิดอยู่ว่าเราต้องตายเป็นแน่แท้ชื่อว่าดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลย่อมเกิดในภพแห่งนาคเราจะได้ที่ไหนหนอ กลับไปเรือนแล้วขออาหารจากพัญญาออกเดินทางสิ้นโยอหนึ่งพบคนเดินทางเขาแบ่งอาหารให้หน่อยหนึ่งแล้วเขาก็บริโภคที่เหลือบริโภคแล้วก็โปรยข้าวสุกลงในน้ำเอามือหนึ่งบ้วนปากแล้วประกาศขึ้นสามครั้งด้วยเสียงอันดังว่าขอพวกหน้าครุฑและเทวดาผู้สิงอยู่ในประเทศแห่งแม่น้ำนี้จงฟังคาของข้าพเจ้า พระราชาปรารถนาจะลงอาญาแก่ข้าพเจ้าบังคับข้าพเจ้าให้หาดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลก้อนอาหารที่ข้าพเจ้าให้แก่คนเดินทางแล้วทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั้นมีอนิสงส์ตั้งพันอาหารที่ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในน้ำทานที่ข้าพเจ้าให้นั้นมีอนิสงส์ตั้งร้อยข้าพเจ้าให้ผลบุญประมาณเท่านี้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 ฝ่ายพระราชารับสั่งให้ปิดประตูเมืองเสียตั้งแต่ยังวันทีเดียวแล้วให้นําลูกดานไปเก็บยังสำนักของพระองค์บุรุษนั้นมาทันเวลาพระราชาทรงสงสนานแต่เข้าวังไม่ได้เพราะประตูเมืองปิดคิดว่าบัดนี้เราจะไม่มีชีวิตแล้วจะทำอย่างไรเนอคิดแล้วก็โยนก้อนดินไปที่ธรณีประตูข้างบนแขวนดอกไม้ไว้ที่นั่นตะโกนร้องขึ้นสามครั้งว่า ชาวพระนครผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรู้ความที่กิจอันข้าพระเจ้ากระทำตามรับสั่งของพระราชาแล้วเถิดพระราชาทรงใครจะฝังเราให้พินาศด้วยเหตุไม่สมควรแล้วเข้าไปสู่วิหารเพราะเหตุแห่งทุกข์ครอบงำคิดว่าที่เพื่ อ, อื่นของเราไม่มีนอกจากวิหารแล้วนอนหลับอยู่ตลอดคืน ฝ่ายพระราชาไม่ได้การหลับอยู่ตลอดราตรีทรงรำพึงถึงหญิงความรุ่มร้อนเพราะการเกิดขึ้นแล้วทรงคิดว่าขณะที่ราตรีสว่างแล้วเราจะให้ข้าบุรุษนั้นเสียแล้วให้นำเอาหญิงนั้นมาในขณะนั้นแหลสัตว์นรกสี่ตนในนรกชื่อโลหะกุมพีลึกห0สยชย์ถูกไฟนรกไหม้กลิ้งไปมาอยู่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 ทรงหวาดวันมีพระไทยสะดุ้งทรงดําริว่าจักมีอันต ร, รายไม่อาจหลับลงได้ตลอดคืนครั้นพอรุ่งอรุณจึงให้ปุโรหิตทํานายปุโรหิตครั้นจะตอบว่าไม่ทราบเกรงยศลาบจักเสื่อมจึงกราบทูลว่าขอให้พระองค์ทรงบูชายัญมีสัตว์อย่างละร้อยจักได้ชีวิต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 พระศาสดาตรัสว่าในอดีตการพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะมนุษย์มีอายุสองมืนปีพระพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จจาริกไปกับสาวกสองหมืนเสด็จกรุงพารณสีบุตรเศีสี่คนมีสมบัติ40โกดเป็นสหายกันปรึกษากันว่าเรามีทรัพย์มากพวกเราจะกระทำอะไรด้วยทรัพย์นั้น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 เราจักให้เขาทอดของควรเคี้ยวแปลกๆมีประการต่างๆเคี้ยวกินเที่ยวไปอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเราจักไม่กระทำกิจอะไรๆจากปะเล้าประโลมหญิงทำประราทาริกกรรมคือการเมสุมิจฉาจารย์ในพัญญาของชายอื่นเที่ยวไปเศรษฐีบุตรทั้งหมดชอบใจในท้อยคำของสหายคนที่สี่ได้ใช้ทรัพย์เพื่อบำเรอหญิงที่มีรูปงาม กระทำผิดในพัญญาของชายอื่นกระทากาละคือตายแล้วไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกไม่แล้วในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งเกิดในโลหะกุมพีนรกอลึกห0สิโยชน์จมลงถึงพื้นภายใต้สาม0 0ื่นปีลอยขึ้นมาถึงปากหม้อด้วยสาม0 0ื่นปีอีกเป็นผู้ใครจะกล่าวคาถาคนละคาถาแต่ไม่อาจกล่าวได้กล่าวได้ตนละอักษร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 เมื่อเราทั้งหลายจากที่นี่ไปแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้รู้ถ้อยคำที่ยาจกกล่าวถึงพร้อมด้วยศีลทำกุศลให้มากแน่ชนทั้งสี่นั้นปรารถนาจะกล่าวคาถาคนละคาถาเมื่อมีอาจกล่าวได้กล่าวได้ตนนละอักษรเท่านั้นแล้วจมลงสู่โลหกุมภีอีกนั่นแลด้วยประการชนนี้ จำเดิมแต่การแห่งเสียงนั้นพระราชาทรงสดับแล้วสัตว์นรกเหล่านั้นได้พลัดลงไปภายใต้อย่างเดิมถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ล่วงหนึ่งพันปีความสังเวชใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเท้าเธอทรงดำริว่าอันความประพฤติผิดในพัญญาของชายอื่นนี้เป็นกรรมอันหนักหนอได้ยินว่าชนทั้งสีไม่แล้วในเอเวจีนรกตลอดพุทธันดรหนึ่ง แล้วมาเกิดในโลหะกุมพีอีกหกหมื่นปีแม้อย่างนี้การเป็นที่พ้นจากทุกข์ก็ยังไม่ปรากฏแม้เราทำความเยื่อใยในพัญญาของชายอื่นยังไม่ได้หลับตลอดคืนยันรุง่งแต่นี้ไปเราจากไม่ปลูกความพอใจในพัญญาชายอื่นฝ่ายบุรุษนั้นนั่งฟังอยู่ในที่นั้นด้วยจึงกราบทูลพระศาสดาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาทรงทราบความที่แห่งราตรีนานเพราะความไม่ได้หลับตลอดคืนในวันนี้ส่วนข้าพระองค์ได้ทราบความที่แห่งโยศไกลในวันวานพระศัสดา จ, จึงตรัสเป็นพระคาถาว่าราตรีของคนผู้ตื่นอยู่นานโยศของคนผู้ล้าแล้วไกลสังสารวัฏของคนผานทั้งหลาย ผู้มีรู้อยู่ซึ่งสัต์ธรรมย่อมยาวในการจบเทศนาบุรุษนั้นบรรลุโซดาปฏิผลแล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลพระราชาเสด็จกลับรับสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องจองจำแล้วกล่าวสรรเสริญคุณของพระนางมลริกาที่ช่วยชีวิตพระองค์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 จะ ก, กระทำอย่างไรพระราชาพราราณสีได้ฟังสลดพระไทยจึงทรงปล่อยพระราชาทั้งหมดพระเจ้าพราราณสีในการนั้นได้เป็นพระเจ้าประสเสนที่โคศลพระนางธรรมทินนาเทวีเป็นพระนางมลิการุกขเทวดาคือตถาคตแล้วทรงตรัสพระคาถาว่า ถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อยู่อย่างนี้ว่าชาติสมภพนี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่พึงฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้ฆ่าสัตว์เป็นประราชิกผู้พ่ายแพ้ย่อมเศร้าโศกหมายเหตุผู้อ่านสําหรับเรื่องนี้อยากฝากถึงคนที่ชอบบูชาพญานาคนะครับการร้องขออ้อนวอนด้วยสิลบนด้วยการบนบานสิ่งที่ไร้าสาระ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 เรื่องนี้ฝากไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เต็มที่